บางรายก็มีพร้อมทุกประการทั้งชาติตระกูลที่สูงฐานะที่ดีผิวพรรณวั น, นะที่งามกิริยาวาจามารยาทที่สุภาพอ่อนโยนไพเราะเรียบร้อยเฉลียวฉลาดบางผู้แม้ไม่งามเหมือนทุกประการดังกล่าวก็ยังได้รับคำพนรนาว่าเป็นเทวดานางฟ้ามาเกิดเพราะผิวพรรณมารยาทงดงาม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 ต่อมาคือพระพุทธเจ้าเทพธิดาแม่ขลาต่อมาคือพระอุบลวันนาเทวีและผู้ดูแลช่วยเหลือพระมหาสัตว์ต่อมาคือพระอนนท์นี่คือเทวดาถือพบชาติเป็นมนุษย์ได้อย่างน้อยก็ตามความเชื่อถือจึงมีการเล่าเรื่องเทพธิดาแม่ขลาดังกล่าว เทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้และมนุษย์ก็เกิดเป็นเทวดาได้ดังที่สมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกว่าเมื่อทรงเสวยประชาิเป็นพระโพธิสัตหุห้าพ่อค้าเกวียนได้ทรงซื้อสินค้าในนครพาราณสีบรรทุกเกวียนนำพ่อค้าจานวนมากเดินทางไปในทางกันดาน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 โกรธแค้นรําคาญสุนักตัวหนึ่งที่ติดตามอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ได้ตรัสแสดงให้รู้ว่าบิดาที่สิ้นไปแล้วนั้นมาเกิดเป็นสุนักนั่นและได้ทรงให้พิสูจน์โดยบอกให้สุนักนำไปหาที่ซ่อนซั์ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้นอกจากผู้เป็นบิดาของชายผู้นั้นและสุนักก็พาไปขุดพบสมบัต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 นี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทรงรับรองว่าอำนาจจิตจะทำให้มนุษย์ไปเป็นสัตว์ได้